ผู้ลวิตกสามพิสุทั้งหลายเนคขามาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนคขามาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่เนคขามาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น เป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงเนเขมวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จกมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนเขมวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงเนเขมวิตกนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จกมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนเขมวิตกนั้นได้เลย หากเราจะตรึกตรองถึงเนกข ม, มวิตกนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกข ม, มวิตกนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิภิกษุทั้งหลายเรานั้นตั้งจิตไวในภายในทาให้สงบทาให้เกิดสมาธิ ประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยภิกษุทั้งหลายอาพยาบาศวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้และถึงอวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอาวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว แต่อวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อ aus, เบียดเบียน شر, ทั้งตนและผู้อื่นเป็นเหตุทําปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อ น, นิพพานถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นไผ่อันจะเก air, ิด จ, จากอาวิหิงสาวิตกนั้นได้เลย หากเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่าน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 ถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงเนคขมะวิตกมากเธอก็จะละกามวิตกได้ทำเนคขมะวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อเนคขมะวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงอภยบาศวิตกมากละถึงถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละวิหิงสาวิตกได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านทุกๆด้านเมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แจ้งจะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั้นฝูงโคแม้ฉันใดเราก็ชันนั้นเหมือนกันต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมคือคุศ ล, ลวิตก ภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารบความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนมีกายสงบไม่กระสับกระสายมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งเรานั้นสังหารจากรกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจาร์สงบระ ง, งับไป เราบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสันสรินว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วเราบรรลุจจตุธฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่วิชาสาม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 เมาะแกการใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวะข ย, ายาัญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธโรคาม่นีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคาม่นีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้ จิตจึงหลุดพ้นจากกามาสะวะบ้างจิตจึงหลุดพ้นจากภวาสะวะบ้างจิตจึงหลุดพ้นจากอาวิชชาสะวะบ้างเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่โจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเราบรรลุวิชาที่สามนี้ในปชิมยามแห่งราตรี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 ฝูงเนื้อใหญ่ก็ต้องมาตายเหลือจานวนน้อยแต่ยังมีชายคนหนึ่งผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการจะเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาเปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นปิดทางที่ไม่สะดวกกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ทาลายนางเนื้อต่อแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมา เนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมีจํานวนมากขึ้นคับข้างล้นหลามแม้ฉันใดข้ออุปมานี้ก็ฉั้นนั้นเราได้ทําขึ้นก็เพื่อจะให้เธอทั้งหลายรู้ความหมายของเนื้อความในอุปมานั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คําว่าบึงใหญ่นี้เป็นชื่อแห่งกรามทั้งหลายคําว่าเนื้อฝูงใหญ่นี้เป็นชื่อของหมูสัตว์ทั้งหลายคําว่า ชายผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการจะเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคำว่าทางที่ไม่สะดวกนี้เป็นชื่อของมิฉามากักทางผิดมีองค์8ดคือ 1. มิฉาทิจิเห็นผิด 2. มิฉาสังกัปปะดำริผิด 3. มิิฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิฉากรรมมันตะกระทำผิด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 กิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเอื้อเฟื้ออาศัยความอนุเคราะห์จะพึงกระทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นตถาคตก็ได้กระทําแก่เธอทั้งหลายแล้วนั่นโคลนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของตถาคตสาหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษีนี้แล้ว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 อุบายกำจัดอกุศลและวิตกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้นขนายในอธิจิตควรมนาิ ก, การถึงนิมิตห้าประการนี้ตามเวลาอันสมควรนิมิตห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เมื่อภิกษุในธรรมวินนันนี้อาศัยนิมิตใ ด, ดแล้วมนาิ ก, การนิมิตใ ด, ดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้าง ประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนิสิกานิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเมื่อเธอมนิสิกานิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ชนานาญใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้แม้ชันใดภิกษุขวดฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยนิมิตใดแล้วมนสิกานิมิตใดวิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศล ซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นพิสษุนั้นควรมนัสิกานิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเมื่อเธอมนัสิกานิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้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 ประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกนั่นแลภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่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 หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวมีผู้นำซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอย่อมรู้สึกอึอดอัดระอาและรังเกยียจแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนศิยการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศล น, นอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีก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 ประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมานัศิกานวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่ระลึกถึงไม่มานัศิกานวิตกเหล่านั้นอยู่เธ อ, อย่ยอมละวิตกอันเป็นบาปอภิษณซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกิษณเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกิษณเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้คนมีตาดีไม่ต้องการที่จะเห็นรูปที่ผ่านมาเขาควรหลับตาหรือเหลียวไปทางอื่นเสียแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างยังเกิดขึ้นอีกนั่นแลและถึง เป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลาย 4. หากเมื่อพิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนานสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรมนานสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้น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 คนเดินเร็วเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินทําไมถ้าก็ไรเราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะค่อยๆเดินทําไมถ้าก็ไรเราควรยืนเขาก็ยืนเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะยืนอยู่ทําไมถ้าก็ไรเราควรนั่งเขาจึงนั่งเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่า เราจะนั่งอยู่ทำไมถ้าก็ไรเราควรนอนเขาก็นอนคนผู้นั้นเว้นอิริยาบหยับยาบแล้วพึงใช้อิริยาบทละเอียดละเอียดแม้ชันใดภิกษุนั้นก็ชันนั้นเหมือนกันหากเมื่อไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยชันทะบ้างละถึงยังเกิดขึ้นอีกนั่นแลละถึง เป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายห้าหากเมื่อภิกษุนั้นมณนสิทิการถึงวิตตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่น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 จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้คนผู้มีกำลังมากจับคนผู้มีกำลังน้อยกว่าได้แล้วบีบกดเข้นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่นแม่ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉั้นนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนสิการถึงวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้น วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคันจิตทาจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตก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 ชำนาญวิถีทางแห่งวิตกภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใดแล้วมานสิการนิมิตใดวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นเมื่อเธอมานสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้าง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 สีหหนาทวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. จุลสีหหนาทสูตร 2. มหาสีหหนาทสูตสา มหาทุกขคันทสูตร 4. จุละทุกขคันทสูตร 5. อนุมานสูตร 6. เจโตขีละสูตร 7. วณะปัทถสูตร 8. มัทุ ป, ปินทิกะสูตร 9. เทวทาวิตกะกสูตร 10. วิตกะกสันทานสูตร มวัหมวดว่าด้วยข้ออุปมา 1. กระจูปะมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อยข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปินฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระโมลิยะภคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลา ท่านพระโมริยะภัคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ถ้าภิกษุบางรูปติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าท่านพระโมริยะภักคุณะท่านพระโมริยะภักคุณะก็โกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีอันหนึง่งถ้าภิกษุบางรูปติเตียนท่านพระโมริยะผัคุณะต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้น ภิกษุนีเหล่านั้นก็พากันโกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีท่านพระโมริยนะผักคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุนีทั้งหลายอย่างนี้ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งน้าที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระโมริยนะผักคุณะ อยู่คลุกคลีกับพวกภิษุณีเก MA ินเวลาท่านพระโมริยะผักคุณะอยู่คลุกคลีกับพวกภิษุณีอย่างนี้ถ้าภิกษุบางรูปติเตียนพิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าท่านพระโมริยะผักคุณะท่านพระโมริยะผักคุณะก็โกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีอันหนึ่งถ้าภิกษุบางรูปติเตียนท่านพระโมริยะผักคุณะต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้น ภิกษุณีเหล่านั้นก็พากันโกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่าออธิกรณ์ขึ้นก็มีท่านพระโมริยะภัคุณะอยู่ครุกคลีกับพวกภิกษุณีอย่างนี้ทรงเตือนพระโมริยะภัคุณะที่โกรธ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกโมริยะภคุณะภิกษุตามคำของเราว่าท่านภคุณะพระาศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระโมริยะภคุณะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านว่าท่านภคุณะพระาศาสดาตรัสเรียกท่าน ท่านพระโมริยะผคกคุณะรับคำภิกษุรูปนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนาที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านโมริยะผักคุณะว่าผักคุณะจริงหรือที่เขาเลือกกันว่าเธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลาเธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ถ้าภิกษุบางรูปติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอ เธอก็โกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีอันหนึ่งถ้าภิกษุบางรูปติเตียนเธอต่อนหน้าภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นก็พากันโกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีจริงหรือที่เธออยู่คลุกคลี ก, กับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ท่านพระโมิยะผัคุณะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าเธอเป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธามิใช่หรือท่านพระโมริยะผคุณะทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผักคุณนะการที่เธออยู่คลุกคลี ก, กับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลานี้ไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเลยเพราะฉะนั้น ถ้าแม้ภิกษุบางรูปจะพึงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอก็ควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเสียแม้ในข้อนั้นเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจกอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะภักคุณนะเธอควรสำเนียกอย่างนี้แล เพราะฉะนั้นถ้าใครๆจะพึงทำร้ายภิกษุณีเหล่านั้นด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และศัตราต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอก็ควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเสียเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจากอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเธอควรสำเนียกอย่างนี้แล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 ประโยชน์ของการฉันอาหารมื้อเดียวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งภิกษุจํานวนมากได้ทําให้เรามีจิตยินดีเราได้เตือนภิกษุทั้งหลายณที่นี้ว่าเราฉันอาหารมื้อเดียวเราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวย่อมรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยมีความลําบากกายน้อยมีความเบากายมีกําลัง และอยู่อย่างพาสุกมาเถิดแม้พวกเธอก็จงฉันอาหารมื้อเดียวแม้เธอทั้งหลายเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวจะรู้สึกว่ามีอาภาษน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกาลังและอยู่อย่างพาสุกเราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีกเพียงแต่ทำให้สติเกิดขึ้นในพิกษุเหล่านั้นเท่านั้นรสที่เทียมด้วยม้าอาชาในซึ่งฝึกมาดีแล้ว เล่นไปตามทางใหญ่สี่แพร่งบนพื้นราบเรียบโดยไม่ต้องใช้แส่เพียงแต่นายสารถีผู้ฝึกหัดม้าที่ฉลาดขึ้นรถแล้วจับสายบังเหียนด้วยมือซ้ายจับแส้ด้วยมือขวาเตือนม้าให้วิ่งตรงไปหรือเลี้ยวกลับไปตามถนนที่ต้องการได้ตามความปรารถนาแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีก เพียงแต่ทำให้สติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้เธอทั้งหลายก็จงละอกุศลธรรมจงทำความภาคเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เธอทั้งหลายก็จะถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในธรรมวิ น, นัยนี้ภิกษุทั้งหลายป่าซาละอันกว้างใกล้บ้านหรือนิคมป่านั้นรกไปด้วยต้นละหุง บุรุษบางคนหวังดีหวังประโยชน์และหวังความเจริญเติบโตของต้นสาละนั้นเขาจึงตัดหน่อต้นสาละที่คดซึ่งคอยแย่งอาหารแล้วนำออกไปทิ้งที่ภายนอกแผ้วถางภายในป่าให้สะอาดเรียบร้อยคอยบำรุงรักษาต้นสาละเล็กๆซึ่งตรงแข็งแรงดีไว้อย่างดีด้วยการกระทำดังกล่าวานี้ต่อมาป่าไม้สาละนั้นก็เจริญงอกงามไพบูนขึ้นโดยลาดับ แม้ฉันใดแม้เธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจงละอากุศลธรรมจงทำความภาคเพียในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้เธอทั้งหลายก็จักถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้